บทนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปไ้พูดมาถึงเรื่องของโลกที่ทรงจำแนกไว้ในที่ต่างๆโดยประเภทต่างๆแต่เมื่อกราวโดยสรุปแล้วเรื่องของโลกก็คือเรื่องของทุกขสัตว์ที่ทรงสอนให้ บุคคลพยายามมองในแง่ของความเป็นจริงเพื่อต้องการจะถ่ายถอนความยุติดรรในโลกอย่างน้อยก็ให้ไม่ถึงกับรุ่มหลงอยู่กับโลกเหล่านั้นแต่สามารถได้บรรเทาประบางลงไปจนถึงสงบระงับไปนั้นก็เป็นเรื่องระดับเป้าหมายการศึกษาธรรมะในทางาศาสนาที่จริงเราจะเริ่มที่ตรงไหนก็ได้แต่จะกระทบกระเทือนถึงกัน การที่ทรงนำเรื่องของโลกมาสอนก็คือสอนเรื่องของทุกข์ระสัตนั่นเองเพราะในสิ่งที่เป็นทุกข์ระสัตนั้นคนโดยทั่วไปที่ใช้ใช้คำว่าปุถุชนในสำนวจบาลีถูกใช้คำว่าปุถุชนผู้ไดไม่ได้ศึกษาธรรมของพระอริยะไม่ปฏิบัติธรรมของพระอริยะก็จะมองโลกในแง่ที่คลาดเคลื่อน จากความจริงที่ทรงใช้คำว่าวิปัสสาาคือไม่ตรงกับความจริงความจริงเป็นอย่างหนึ่งแต่เรามองเป็นอีกอย่างหนึ่งโดยความวิปัสสนาดันั้นก็ออกมาในรูปของสิ่งที่ขัดแย้งกับสัจธรรมที่โลกไม่มีอะไรเป็นความสวยงามที่แท้จริงแต่ชาวโลกก็มองเห็นเป็นความสวยงาม จนมีการฝ่ายคว้าสแสวงหารุนแรงมากก็ต่อสู้กันปราดประหานกันยื้อแย่งกันทำลายล่างกันจนกลายเป็นสงครามขึ้นในชั้นต่างๆแต่บุคคลมองให้ซึ้งลงไปแล้วก็คือเรื่องมาจากการกำหนดหมายในสิ่งเดียวกันว่าเป็นที่น่าคลายน่าปรารถนาน่าพอใจเมื่อไม่สามารถที่จะแบ่งปันกันได้หรือตกลงกันได้ คนก็จับอาวุธยกพว ก, กมาห้าหันมาประทุษร้ายกันในมหาทุกขขันธสูตรคือสูตรด้วยว่ากองแข่งทุกขนาดใหญ่ที่ทรงจำแนกแสดงนั้นทรงย่อยออกไปโดยลำดับจากเรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นในขณะจิตของบุคคลแล้วก็ให้เกิดความสับสน เกิดความลุ่มหลงเกิดความขัดเคืองเกิดความเศร้าโศกในเรื่องเดียวกันนั่นเองแต่ว่าเป็นการเกิดขึ้นคนละช่วงของความคิดแต่วัตถุที่เป็นเหตุให้เกิดอารมณ์ซึ่งต่างกันนั้นที่จริงเป็นวัตถุเดียวกันยกตัวอย่างเช่นบุคคลเกิดกำหนดหมายวัตถุบุคคลหรือสิ่งของหรือสัตว์ก็ตามว่าสวยงามเป็นที่พอใจเป็นที่ต้องการของตน ก็พยายามคอยคว้าสแสวงหาเพื่อให้ได้สิ่งเดล่านั้นมาไว้ในครอบครองของตนไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตามในช่วงของการสแสวงหานั้นถ้าควบคุมทิศทางงการสแสวงห า, หาไว้ได้ความรุนแรงของกิเลสรุนแรงของอารมณ์ก็ไม่มากพฤติกรรมก็จะออกมาในรูปของเป็นกุศลมากกว่าเป็นอกุศล ถ, ถ้าถ้าความปรารถนาแรงความต้องการแรงก็จะออกมาในรูปพอให้ได้โดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคอันตรายหรือการจะต้องทำบาปเพิ่มเพื่อได้สิ่งที่เราต้องการผลเส้นทางของการสแสวงหาจึงเพิ่มทั้งโลภะเพิ่มทั้งโทสะแล้วก็เพิ่มทั้งโมหะจึงได้มาก็ยิ่งเพิ่มเมื่อไม่ได้มันก็กลายเป็นโศกหรือเป็นโทสะแล้วเป็นความโศก ความร่ไรยรำพันจดถึงกับความทุกข์ที่เราเรียกว่าผิดหวังความผิดหวังก็คือไม่ได้ตามที่หวังที่จริงจริงๆแล้วก็เริ่มมาจากการกำหนดหมายสิ่งเหล่านั้นก็เป็นที่ต้องการปรารถนาของตนตั้งความหวังที่จะได้สแสวงหาเพื่อจะได้แล้วเมื่อไม่ได้เมื่อเกิดความทุกข์ก็กลายเป็นความผิดหวังซึ่งผิดหวังลึกขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับแรงปรารถนามากขนาดไหน แต่แรงปรารถนามากความผิดหวังก็จะแรงจิตใจร่างกายก็จะบอบช้ำมากยิ่งขึ้นดังนั้นในชั้นทั่วไปท่านจึงสอนให้กําหนดรู้แม้ระดับความหวังวา่าอย่าไปตั้งความหวังอะไรไว้ให้เต็มที่แต่ใช้ความพยายามให้เต็มที่ซึ่งบนเส้นทางของความพยายามที่เต็มที่นั้นบุคคลอาจจะไม่สมหวังอาจจะได้สึกครึ่งสึกกึงหนึ่ง อาจจะเต็มตามที่หวังหรืออาจจะได้เกินที่หวังซึ่งจะได้ออกมาทั้งสี่ลักษณะนี้เสมอไปไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามออกมาในทางใดทางหนึ่งแต่วสิ่งเหล่านั้นจะต้องมีการแปรรวนเปลี่ยนแปลงไปอีกซึ่งบุคคลจะต้องเรียนรู้ถึงความจริงอีกด้านหนึ่งพอสิ่งที่เกิดแล้วแก่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับควันที่ได้เกินที่เราหวังเอาไว้ ก็ไม่ควรหลงระเริงเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นมากเกินไปเพราะอีกด้านหนึ่งของแกนั้นคือความเสื่อมสลายเป็นการพยายามสอนให้บุคคลรู้ความจริงทั้งทุกๆด้านของสิ่งนั้นๆเพื่อจะปฏิบัติตัวให้เหมาะให้ควรแกลักษณะของสิ่งนั้นที่แกเปลี่ยนแปลงแกแ ป, ปรแ ป, ปรวดไปตามสภาพของแกจะขึ้นหรือลงหรือทรงอยู่ก็ไม่แน่แต่แกก็เป็นของแกอย่างนั้น เการสอนโลกไม่ว่าโลกหนึ่งโลกสองโลกสามาจนถึงโลกเจ็ดคือวินดาณที่ที่เจ็ดที่ได้กล่าวมาในวันกอดมันก็มีลักษณะอย่างนั้นโลกประการต่อไปก็คือโลกกระท8แปดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ออกจะมากและเกี่ยวข้องผูกพันกันในชีวิตของคนก็เรียกว่าทุกวันหรืออาจจะเรียกว่าทุกขณะได้ซ้ำไป โลกธรรมก็สิ่งที่เกิดขึ้นแตะครอบงำชาวโลกจูชาวโลกนั้นจะเป็นไปตามโลกธรรมเหล่านี้จิตใจจะฟูขึ้นจะพุบลงจะได้สุขจะได้ทุกข์จะเฉยๆก็เพราะโลกธรรมเหล่านี้เองแล้วบุคคลอาจจะทำบาปมากบ้างน้อยบ้างก็เพราะโลกธรรมเหล่านี้แล้วจะทาบุญทากุศลในชั้นโลกิยะเพื่อโลกธรรมเหล่านี้ โลหะโลกกระจึงเป็นเรื่องที่สำนวนบาลีนั้นใช้คําว่าอิทธารมณ์กับอนิทธารมณ์อิทธารมณ์ก็คืออารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจออนิทธารมณ์ก็คืออารมณ์ที่ไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเป็นลักษณะของความรู้สึกร่วมมากทีเดียวสำหรับคนทุกๆคนซึ่งปิดกับเรื่องบางเรื่องที่ ความพอใจหรือไม่พอใจนั้นขึ้นอยู่กับใจเป็นตัวกาหนดแต่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องโครงสร้างใหญ่ซึ่งคนจะมีความรู้สึกในทํานองเดียวกันคือถ้าเป็นเรื่องเดียวกันเมื่อได้มาเราก็พอใจก็ส่วนมากจะพอใจด้ยวยกันแต่ไม่ได้หมายความว่าได้สิ่งเดียวกันแต่ลักษณะเหล่านี้จะให้ความพอใจหรือไม่ไม่พอใจแก่บุคคลในทานองเดียวกัน โลกธรรมที่แบ่งออกนั้นก็ในส่วนที่น่าปรารถนาก็คือลาบยศสันเสริญสุขเป็นน่าปรารถนาก็คือเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างนี้ตลอดไปเราจะเห็นว่าแต่การเรียบเรียงของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องที่น่าทึ่งคือมองอีกชั้นหนึ่งเป็นการเรียงตามระดับจิตใจของสัตว์โลกือพูดง่ายว่าสัตว์โลก ว่าในเรื่องราบคือวัตถุสิ่งของเป็นที่ต้องการปรารถนาของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะเป็นคนหรือจะเป็นสัตว์ก็ตามก็ต้องการได้สิ่งที่ตัวต้องการบางทีจนถึงก็ยื้อแย่งต่อสู้ประหารประหารกันเพื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้วจะเป็นพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกันหรือทานองเดียวกันระหว่างของคนและของสัตว์ตลอดถึงของเทพเจ้าทั้งหลาย การเตียบต่อไปก็คือยศยศและเสื่อมยศนั้นจะเห็นว่าสาตัตว์ราจานทั่วไปออกจะไม่ค่อยรู้สึกเรื่องยศหรือเสื่อมยศมีความรู้สึกอยู่บ้างก็บางจำพวกเท่านั้นเองสัตว์ใกล้ชิดกับมนุษย์เรียกว่ามีพื้นฐานทางวิญ ญ, ญาณสูงพอเชนพวกช้างพวกสุนัขพวกนี้ก็พอรู้เรื่องของยศ ํานองพวกกิ้งกาได้ทองอย่างที่ท่านเล่าไว้ในเสื่องชาดกก็แสดงว่ามีความชื่นชมยิน ด, ดีต้องการปรารถนายศอยู่แต่มีสัตว์อื่นจํานวนน้อยเท่านั้นเองแต่พอถึงคนนั้นจะต้องการยศมากจนถึงบางครั้งพร้อมที่จะเสียสละลาบรือสละเงินทองเพื่อได้ยศได้สักได้ตําแหน่งได้เครื่องราชอิจฉาพรต่างๆเป็นต้น นี่แสดงว่าเรื่องยศชักจะบีบกลุ่มคนที่ต้องการพอมาถึงสันเริญ ย, ยกจ่องสัตว์เดชานบางจำพวกสัมผัสไม่ได้หรือรับรู้ไม่ได้สัตว์บางจำพวกก็รับรู้ต้องการการสันเริญแต่คนนั้นจะต้องการความสันเริญพอถูกนินทาจะโกรธเกรี้ยวเหมือนกระเสือมยศจะทุกข์ทรมาน การคู่สุดท้ายซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกันทั้งของคนของสัตว์แต่วิธีการเพื่อสู่เป้าหมายนั้นจะแตกต่างกันตามพื้นฐานสติปัญญาของคนของสัตว์และแม้แต่ในหมู่คนก็แตกต่างกันนั่นคือความสุขกับความทุกข์ทุกชีวิตต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์เป็นเรื่องที่เรียกว่าเสมอกันสําหรับคนสำหรับสัตว์ทั้งหลายเรื่องเหล่านี้ท่านจึงถือว่าเป็นโลกกระทำที่มีความเป็นสากล คือเกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายแต่ปัญหาสำคัญอยู่ที่คนซึ่งเกี่ยวข้องกับลาบและความเสื่อมลาบนั้นมีปัญญาเข้าไปจับเข้าไปพินิจพิเคราะห์สิ่งเหล่านั้นแตกต่างกันในชั้นสาบันทั่วไปอย่างที่ทรงแสดงประเภทคนสแสวงหาลาบ แล้วักษณะเป็นการเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนบุคคลอื่นและที่รุนแรงกันไปกว่านั้นคือได้มาแล้วก็ไม่เลี้ยงดูตนเองไม่เลี้ยงดูครอบครัวไม่เฉลี่ยแบ่งปันไม่ใช่ทรัพย์เหล่านั้นกระทาสิ่งที่เป็นบุญคือแสดงว่าเป็นโลภะที่ถูกโมหะเข้าครอบงำกลายเป็นทาตของทรัพย์หรือกลายเป็นทาตของลาภ แทนที่จะเป็นนายบังคับใช้ทรัพย์หรือลาภโดนั้นคนบางพวกนั้นแสวงหามาในทางที่ทารุนหดร้ายเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนบุคคลอื่นแต่ได้มาแล้วก็มาเลี้ยงดูตัวเองแต่ไม่เลี้ยงดูครอบครัวไม่สงเคราะห์ญาติไม่ทำบุญก็ดีอยู่หน่อยที่ว่ายังเอามาบริโภคใช้สอยสาหรับตนเองแสดงว่าโลภโมหลดลง ถ้าเทียบกับประเภทแรกคนบางพวกสแสวงหามาด้วยวิธีการที่ทารุณโหดร้ายรุนแรงบิดเบเทียนตนเองเปดเบียบบุคคลอื่นได้มาแล้วเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูครอบครัวสงเคราะห์ญาติแต่ไม่มีการเฉลี่ยแบ่งปันไม่ใช้ทรัพย์ไปประกอบบุญกุศลก็ทำความดีนี่ก็แสดงว่าโลภะจางเรามาอีกโมหะก็จ้างเรมาอีก แต่ยังไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นอย่างแท้จริงในข้อนี้พระเจ้าทรงจะนั่งแสดงเฉพาะช่วงของการหาราบเป็นเรื่องของระดับจิตที่มีความเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเมื่อเทียบกับข้างล่างหรือไม่จะไปเที่ยวข้างบนดีขึ้นโดยลําดับถึงสิบชั้นด้วยกันเรื่องของลาบนั้นเพืสังเกตว่า ถ้าบุคคลมีพื้นจิตที่โล ก, กลดลหลงไม่มากเกินไปก็ควบคุมการสแสวงหาให้อยู่ในคันลองของธรรมก็เป็นสมัมมาอาชีวะเป็นเรื่องปัจจัยสี่เป็นเรื่องของการดำรงชีวิตคนจะต้องมีจะต้องได้สิ่งเหล่านั้นพรเจ้าก็สอนให้ได้มาในทางที่ชอบทำเท่านั้นซึ่งก็กลายเป็นศีลก็เรียกว่าอาชีวะบริสุทธิ์คือให้การเลี้ยงชีพบริสุทธ แต่ในขณะเดียวกันเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่เราพูดปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องของคนมันก็อยู่ตรงนี้แหละเป็นเรื่องใหญ่แต่นั้นจึงทรงสอนเจาะลงไปให้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาถึงประโยชน์จริงๆที่เราจะได้จากสิ่งดอกนั้นเพราะในชั้นของการแสวงหาจะต้องพยายามแสวงหาที่มันเป็นประโยชน์จริงๆให้ได้เสียก่อน แก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วในการต่อไปก็จะเพิ่มพูนขึ้นอย่างไรก็ตามขออยู่ในกลุ่มของสมาชีวะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นอนปยากรารตะธรรมคือธรรมะที่เป็นกลางสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของใครอย่างแท้จริงแต่เป็นการสมมติที่ยอมรับกันต า, ตามกติกาว่าของนั้นเป็นของขนนั้นขดนั้ น, นสิ่งนั้นเป็นของขนนั้น แต่จริงๆแล้วถ้าเรามองให้ซึ้งจะพบว่าไม่มีอะไรที่เป็นของใครอย่างแท้จริงมองดูที่ใหญ่ๆเป็นบ้านเป็นเมืองแม้แต่เป็นประเทศไทยเราใน ป, ปัจจุบันเราก็ถือประเทศไทยคือประเทศของคนไทยนั่นก็ถือได้ในปัจจุบันแต่จริงๆอดีตนั้นตามหลักฐานในทางประวัติศาสตร์ก็ปรากฏว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในแถวนี้แต่เมื่อก่อนเราอยู่ในแถวอื่นในประเทศจีนตอนใต้เราก็ว่าเป็นของเราเหมือนกัน เราของเรากันมาอย่างเงี้ยแล้วก็ย่อยกันมาจนถึงบ้านบ้านของเราเรือนของเราที่ดินของเราเลือกสวนไรานาของเราที่จริงคนที่เคยกล่าวคํานี้ในที่ดินแปลงนั้นในที่สวนที่นาแปลงนั้นได้ตายไปมากต่อมากแล้วท่านก็บ่าของเราทุกคนแหละแต่ก็ไม่ใช่ของเราจริงๆสักคนเดียว เพราจึงทรงสอนเอาไว้ให้ยอมรับความจริงว่าการเปลี่ยนแปลงจากความเป็นของเราไปสู่ความไม่เป็นของเราซึ่งเป็นสภาวะที่แท้จริงนั้นมันเปลี่ยนได้อยู่ตลอดบางทีเราอาจจะเรียนอาหารจะเข้าปากแล้วยังเข้าปากไม่ได้ก็จานของเราช้อนของเรามือของเราข้าวของเรา ต, ตากไปยังไม่เข้าปากเลยเพราะฉะนั้นจะไปหวังอะไรมากๆ ก, ก็ไม่ได้ จึงทรงสอนให้มองอีกด้านหนึ่งเอาไว้เพราะสิ่งเหล่านี้มันตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ส่วนเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาของแกทำให้คนเราเตรียมใจได้ในขณะที่ได้มาก็ควบคุม ก, การได้มาอย่างกล่าวและในขณะที่ถือครองอยู่นั้นก็อย่าไปตั้งความหวังว่าจะต้องเป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างอื่นแกก็เป็นของแก ที่จะเป็นตามที่เราต้องการให้เป็นนั้นไม่ได้แต่จะเป็นตามสภาพของแกแล้วมันาจะตั้งความหวังว่าสิ่งนั้นขอสิ่งนั้นจงเป็นอย่างนี้จะได้เป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็ตั้งไม่ได้ซึ่งวันที่จริงแล้วมันก็เป็นความดีอย่างหนึ่งเพราะถ้าหาก็คนขืนตั้งความหวังให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ตามที่ตัวต้องการได้ไปทุกเรื่องแล้วก็คงจะยุ่งหรือเกิดว่าอะไรเพราะกิเลสคนไม่ลด เมื่อไม่ลดต่างคนต่างก็ตั้งความหวังขอให้ได้ให้มีให้เป็นในสุดสิ่งที่เราจะได้เนี่ยมันมีจํากัดแต่ความอยากของคนไม่มีจํากัดเมื่อความอยากไม่จํากัดสิ่งที่อยากได้มีจํากัดต่างคนต่างก็อยากได้และสุดก็ยื้อแย่งในสิ่งที่มีอยู่อย่างจํากัดนั่นเองคนก็ฆ่ากันตายหมดหรือไม่ฆ่ากันตายหมดมันก็ตั้งความหวังจนบ้านเมืองเกะกะไปหมดได้ดังนั้นจึง ใสภาวธรรมเหล่านี้จึงกลายเป็นความดีที่เกื้อกูลต่อมนุษย์จะทําให้มนุษย์สามารถควบคุมทิศทางของการแสวงหาให้อยู่ในคันหลองของธรรมนังกล่าวได้และเมื่อแสวงหามาแล้วสังเกตว่าในสอนในจุดของลาบคือคำว่าลาบนั้นเราจะพูดถึงสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์ขึ้นที่ได้ขึ้นที่ไม่ได้หรือว่าผลประโยชน์ที่จะใช้ตํานวนในปัจจุบันเอาผลประโยชน์ก็ได้เประหาทก็ท่านนับแล้วมันก็ ไม่รู้จะนับยังไงมันมากมายได้เกินในพระบาลีท่านบางแห่งท่านนับพวกวัตถุ ก, กามทั้งหลายยาวเหย็ดเต็งสี่ห้าหน้านับเรียงชื่อไปเลยพวกโคพวกควายพวกแอกพวกไถ่ข้าวเปลือกข้าวฟ่างก็นับไปเรืยๆคือสรุปอย่างนี้สรุปพวกวัตถุ ก, กามทั้งหลายสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้นไปลิ้นแล้วก็จับต้องได้ด้วยกายนั้นเราเรียกว่าลาบ อาจจะเป็นละเอียดก็ได้หยาบก็ได้กลางๆก็ได้แต่ลาบเมื่อแกเกิดขึ้นแกก็เสื่อมพระเจ้าก็ทรงสอนให้มองไว้ทั้งสองด้านในตอนต้นทีนี้พอเสื่อมก็ยอมรับในแง่ของธรรมดามันก็เป็นข้ามันอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อได้ลาบเราก็ไม่เพลิดเพลินเริงลงเมื่อเสื่อมลาบก็ไม่ถึงกับทุกโทนน เพาะที่จริงแกก็เป็นของใหม่ไม่ใช่ของที่ติดตัวเรามาแกเกิดมาด้วยเหตุปัจจัยของแกแกกรจากไปด้วยเหตุปัจจัยของแกและการมองในแนวนี้พึงสังเกตว่าก็เรียกว่าแม้แต่การได้บุตรไดค้คู่ครองได้เพื่อนฝูงมันก็เป็นลาบประเภทหนึ่งเพราะนั้นแกมาได้แกก็ไปได้ม ก, การพรากจากกับคนนั้นเป็นที่รักที่ทรงสอนนักพิจารณา แล้วคือลาบต่มันเสื่อมไปแต่สิ่งที่เราได้มาในี่เสื่อมไปช่วยให้บุคคลเตรียมใจยอมรับความจริงทั้งสองด้านไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ข้อนี้เพื่สังเกตว่าบางครั้งความสูญเสียเนี่ยสอนคนได้ดีกว่าสิ่งที่เราได้มาแล้วท่านลองพินิพิจนาถึงชีวประวัติของพระริยเจ้าทั้งหลายในอนดีต ไอตัวความสูญเสียนั้นส่งท่านก็สูญนิพพานมากกว่าสิ่งที่ท่านได้มาหรือทำไปอย่างเช่นพระเถรีที่คุ้นคุ้นเช่นพระนางปตาจาราเถรีก็ความสูญเสียส่งก็สูญนิพพานพระกีสาโคตมีลูกตายก็ความสูญเสียส่งก็สูญนิพพานพระนันทาเถรีกนิถะภะกินีของพระพุธเทธเจ้าญาติพี่น้องบวชหมด พ่อกอสวรรคตรนิพพานไปท่านก็เหงาท่านก็ว้าเวท่านก็ขอบวช ด, ด้วยนั่นคือความรทราดพลาดทรงเข้าสู่นิพพานแล้วมีบุคคลเป็นนั้นมากบางครั้งเป็นจํานวนร้อยๆพันพนที่ทุกข์กษัตริย์ส่งท่านเข้าสู่นิพพานคือหมายความว่าท่านไปเผชิญปัญหากับตัวทุกข์กษัตริย์แล้วทุกข์กษัตริย์เหล่านั้นเองจะส่งท่านให้ดิน้นไปสแสวงหาที่บําบัดทุกข์ แต่เมื่อพบกับพระพุทธเจ้าเขพบกับพระอริยเจ้ า, ก, จาก็ได้เข้าสู่ทางของปณิพาบนบรรลุพระเป็นภ ร, ะระยาบุคคลต่างๆเป็นนั้นมากและก็คือตัวอย่างบุคคลที่ท่านประสบกับสิ่งเหล่าเนี้ยประสบกับความเสื่อมลาบแต่ตัวประสบกับความได้ลาบนั้นโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนั้นน้อยเพราะเลยเพราะมันเพลิด อย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นจะไม่อุบัติปังเกิดในเทวโลกหรือพรมโลกโดยมเหตุผลว่าคนเหล่านี้ไม่เห็นใจรักจะมองอายุแก่ว่ามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้อยู่มาตั้งนานแล้วโลกมนุษย์ผ่านไปตั้งไม่รู้กี่พันปีแล้วท่านยังอยู่เหมือนเดิมพ่านไปสอนใจรักกับท่านไม่ได้ท่านมองไม่เห็นไม่รู้มันเป็นยังไง ดังนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงเกิดในโลกมนุษย์ซึ่งอายุไม่มากเกินไปที่จะพอเข้าใจใจรักได้เพราะถ้าไม่เข้าใจใจรักก็จะเรียนวิปัสสนาไม่ได้จะเรียนวิปัสสนาไม่ได้มรรคผลมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่การเรียนรู้จากราบเนี่ยทรงสอนไว้ทุกๆขั้นตอนเรียกว่าจะหาประโยชน์ได้ทุกเรื่องทั้งด้านที่ราบเพิ่มขึ้นหรือว่าด้านที่ราบรดลดลงแต่ที่จริงด้าน ด้านเสื่มราบช่วยมากกว่าด้านได้รากคราวนี้เพื่นสังเกตยอย่างพระศีหะเสนาบดีที่บรรลุมรุผลเป็นพระยา้าบนหลังช้างท่านไปรบทัพชนะค่าศึกมาปราบปรามปัจจันทรชนบทสงบราบขาบได้รับรางวัลจากพระเจ้าแผ่นดินเหมืองก็สวยราดถึงเจ็ดวันและเจ็ดวันท่านสนุกสนานมีการฟ้อนรําขับร้องมีการดื่มน้ําจันท์กันสนุก วันเวลาผ่านไปพอครบเจ็ดวันนางรําของท่านที่พยายามรําให้อ่อนช้อยสวยงามก็ต้องอดอาหารราจนสลบแล้วก็ตายไปเลยไอ้ความทัดพรากในช่วงนั้นเองที่ช่วยให้ท่านเกิดความเศร้าโศกอย่างรุนแรงจนพระพุทธเจ้าเสด็จไปปลดแต่ถอนลูกศรคือความโศกได้กานเรียนบทเรียนจากนางรําที่ตายไป และในที่สุดนั้นก็บระรุมรโคนอยู่บนหลังช้างและด้านการเรียนรู้การพัชนกับความทุกข์ในลักษณะของทุกขเวทนาเพราะทุกอื่นเรามองเห็นไม่ชัดสามัญชนทั่วไปมองทุกขเวทนาจะเห็นได้ชัดมากที่ทุกในลักษณะที่ปัจจัยปรุงแต่งมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงที่ดูกันไม่ค่อยได้ดูกันไม่ค่อยได้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีลักษณะไหลเลื่อนกันมาได้ คนนั้นหายไปสิ่งนี้หายไปสิ่งใหม่ก็เกิดขึ้นทดแทนของหายไปก็ซื้อใหม่มาได้เลยมองเห็นไม่ชัดแต่ทุกเวทนาที่มันเกิดขึ้นสร้างความปวดร้าวรุนแรงเสียแทงทั้งกายทั้งใจนั้นเราเห็นเราชัดเห็นเราชัดจึงพระเจ้าจึงอํานํามาสอนเป็นรูปของกรรมฐานกรรมฐานพื้นพื้นแตจะเห็นว่ากรรมฐานเบื้องต้นเจนเวนนทนานุปัสนาตติปัฏฐาน แล้วก็สอนให้ดูเวทนาคือความทุกข์ในแง่ของเวทนาหรือความสุขในแง่ของเวทนาประโยคนี้มันประจักษ์ชัดและก็เห็นได้ชัดแต่สุปแล้วนี่ก็คือโลกที่มันเกิดขึ้นครอบงําชีวิตของคนของสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันมันต่างกันไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นแต่มันอยู่ที่ใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพวกโลกกระทำ ข้อนี้ไปสังเกตว่าก็คล้ายๆกับอากาศหนาวจัดร้อนจัดแต่ความรู้สึกว่าหนาวว่าร้อนนั้นมันก็ไม่เหมือนกันอย่างในห้องนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าหนาวไปบางคนอาจจะรู้สึกว่าอ้าวไปบางคนอาจจะรู้สึกว่าอุ่นพอดีบางคนอาจจะรู้สึกว่าร้อนมันอยู่ที่ใจหรือที่กายและที่กายของบุคคลเหล่านั้นเข้ามาประกอบกัน สถานะอุณภูมิขณะนี้เท่าไรมันก็เท่านั้นแหละเท่าที่มันเป็นแต่ความรู้สึกของเราไปกําหนดโดยความร้อนความหนาวซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นไม่เหมือนกันจึงมีความรู้สึกต่ออารมณ์เดียวกันแต่รู้สึกแตกต่างกันและจะต้องเป็นเช่นนี้อยู่เรื่อยไปนั้นเรื่องราบกับเสื่อมราบถ้ามีลักษณะอย่างนั้นถ้าจะย่อยออกไปแล้วจะได้ลักษณะของความคิด ที่เกี่ยวข้องกับราบทั้งได้ราบและเสื่อมราบนั้นหลากหลายท้งเปัญหาสําคัญว่าที่มันเกิดขึ้นแล้วสร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจทั้งให้ฟูกขึ้นแลือฟุบลงคือดีใจและเสียใจจนกลายเป็นสุขเป็นทุกข์นั้นที่จริงมันเป็นผลต่อเนึ่งองคอยมองว่าธรรมะที่จริงแกเป็นกระบวนการอย่างที่ท่นานใช้คําว่าอิทัพปัจจยาตา คือมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับมันจะไปก็มันอย่างนั้นถ้าอย่างหนึ่งเกิดแล้วก็จะตีให้อย่างอื่นเกิดต่อไปแล้วจะเกิดไปอย่างนั้นคล้ายๆเกิดคลื่นในทะเลที่จริงก็เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเพียงแต่ว่ามันเป็นทยอยคือสืบเนื่องกันไปก็ขอให้เกิดการเกิดอีกก็เกิดเรื่อยไปเราเกิดมาช่วงนาตาปีเป็นอย่างนั้นที่จริงแล้วแกเกิดดับ เพียงแต่ว่าก่อนจะดับมันก็ตีให้เกิดขึ้นลูกอื่นขึ้นมาเรื่อยๆรืเรื่องลักษณะทางอารมณ์โดยการกําหนดอารมณ์ของบุคคลที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามจะมีความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านดีและด้านไม่ดีในกรณีของความรู้สึกดีมันก็ดีทยอยกันไปได้หรือความรู้สึกไม่ดีก็ไม่ดีทยอยกันไปหรือเป็น เพิ่มกิเลสหรือเพิ่มกุศลก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันอย่าง ก, การกําหนดอารมณ์ที่เกี่ยวกับราบห เ, เสื่อมได้ราบหรือเสื่อมราบถ้าสติปัญญาของคนมากพอก็จะยอมรับรู้ไว้ทั้งสองอย่างอย่างยีไ้ทรงสอนว่าพระรยบุคคลเวลาท่านประสบกับสิ่งเหล่านี้มันญาณหรือปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นทันทีพอสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา แต่สิ่งนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเพราะงั้นได้ลาบมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเสื่อมลาบมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นใจท่านจึงไม่หวั่นไหวหรือไม่ถูกโยกครอนเพราะการได้ลาบหรือเสื่อมลาบแต่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นตามสมควรแก่กรณีโดยอาศัยสติสัมปชัญญะความเพียรลึกรู้เท่าทันจึงจะช่วยรักษาคุณภาพจิตของบุคคลให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรม ไม่ว่าจะเป็นการได้ลาบหรือเป็นการเสื่อมลาบก็ตามต่อจตกนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป